หลายกลับมากไปด้วยสุขและสมนัตไม่ใช่เครียดตลอดเลยนะใน mm hmm. สภพวะโลเกณฑนะ์พีรตาสัญญาก็คือกลุ่มนิพพานุปัสสนานั่นเองกลุ่มเดียวกันกับนิพพานุปัสสนา mm hmm. เรารู้ลักษณะของธรรมะสองอย่างแล้วใช่ไหมลักษณะของสุญญาตาสองลักษณะแล้วนะสุญญาตาลักษณะสุญญาตาของรูปคือสลายลักษณะสุญญาตาของเวทนาคือสวยอารมณ์ถ้าสัญญาละ เพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะสําคัญหมายหรือจําได้หมายรู้รู้อะไรรู้ว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว่านะเอาแม่สีหลักๆไว้สีนัะแม่สีตามธรรมะนะไม่ใช่แม่สีแบบทางโลกอนะสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ที่แยกเป็นนะที่เราแยกเป็นว่านี้ขาวเขียวเหลืองแดงเป็นต้นนี้ก็เพราะอํานาจของสัญญาด้วยอำนาจของสัญญานะ ทีนี้สัญญาตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกอกุศลสัญญาก็จะตามด้วยวิปลาสใช่ไหมถ้าเป็นอักุศสนสัญญานะก็ตามด้วยวิปลาสเออขาวสวยมากเขียวสวยมากแดงสวยมากเหลืองก็สวยมากเป็นต้นเนี่ยนะก็ดูดูจนสวยจนได้นะอันนี้ลักษณะของสัญญาวิปลาสถ้าเป็นพวกสัญญาไม่วิปลาสก็จเจริญกระสิน ใส่ใจในกสินก็ได้ฌานก็เป็นกุศลสัญญาก็เป็นกุศลสัญญาเป็นอะไรเป็นเนกขมมะสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะนั้นก็สัญญาที่เป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองนี่ได้ทั้งอุปจาระและอัปปนาเนี่ยนะจนได้ระดับฌานด้วยระดับโนนรูปฌานอันอนุภาพของสัญญาเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาเพราฉนั้นผู้การนี่เสื้อมีกี่สีนี่สีขาวสีสีสีเหลือง ไม่รู้ของมารู้ว่าสีสีนี่แหละเกินกันนั้นสัญญาไม่ค่อยดี <c oughs> จําแยกเพราะสัญญาต่างกันเนี่ยนะสัญญาที่ต่างกันทําให้อารมณ์ของฌานทั้งหลายแตกต่างกันนั้นสัญญาคือจําง่ายๆว่าวความจําว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองและสีแดงอันนี้แหละเป็นลักษณะของสัญญาทั้นเห็นผ้าลายรู้เลยว่าที่แยกว่าเป็นผ้าไลายได้ก็เพราะ สัญญานะพอดีคุณกาลตาใส่เสื้อลายมาก็เลยพุกกาลนี่เสื้อมีกี่สีนี่สีขาวสีสีสีเหลืองไม่รู้ขอมารู้ว่าสีสีนี่แหละเกินกันนั้นสัญญาไม่ค่อยดี <c oughs> จําแยกสีคือรู้ว่าสีมันไม่เหมือนกันอนะแต่จําชื่อไม่ได้ไอยนิ่มสีอะไร <c oughs> นะเกิดมาเนี่ยโหสอบอะไรตกหมดอ่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องสีนะเป็นช่างสีไม่ได้สักเขาสักอย่าง <c oughs> อย่าถามว่าผ้าม่านนี่มันสีอะไรตอบไม่ได้หรอก ตัวสีมันลายๆก็แล้วกันน่ะได้แค่นั้นน่ะท่านเขาเรียกว่าอะไรนะถเออมันออกดำดำนะออกดำดำแดงๆออไร่านยังงี้พอได้แต่มันก็ไปบอกอันนี้ส้มนี้แสดนี้ยุ่งยางจริงๆเลยนะเออมันมันโมขนาดนั้นมันจริงๆนะไม่ได้แกล้งเลยนะมันเต้นอย่างงี้จริงๆด้วยแล้วเราก็ออย่างสมว่าบางอย่างนะเอเออนี่มันดำนะเขาบอกเออนี่ดำน้อยน้อยนี่เรียกน้ําตาลอย่างเงี้ยนะเขาก็ว่าดตามเขาเนี่ยเขาว่าน้ำตาลนะอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าไมมันแยกเป็นน้ําตาลอย่างไงเขาแยกได้ยังไงเนี่ยนะเราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะแสดงว่าเจริญกระสินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพรารู้สักสีหลักๆอยู่ไม่กี่สีนะสีที่เหลือรู้ว่ามันต่างนะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้หรอกเขาว่าสีอะไรยังไงนะเ ป, นเป็นอย่า ง, งายังนงจริงๆนะคือถ้าเลี้ยงอ่อนๆเนี่ยเขาบางคนเขาก็แยกได้ไปอีกไหมเขาแยกถ้าเลี้ยงอ่อนเอเนี่ยเหลี้งเลืองใบกเรือเ่องอะไรเหลืองอะไรนะหนเหลืองมันเหลือง เขาแยกกันเยอะจริงๆเลยนะเราแยกไม่เป็นเลยนะแสดงว่ายังจําหน้าใครได้บางใ น, นก็ดีแล้วนะทีนี้ต่อไปว่าชื่อว่าสังขารเพราะอะไรสังขารสังขารยมนุษยตนเนี้สหาชาตธรรมก่อนนี่จะง่ายปวดเข้าเมื่อยนะน่าเห็นใจมากทุกขา์กายยวิญญาณเกิดบ่อยเห็นไหมนี่แหละรูปเป็นอย่างนี้แหละสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยอ่าสังขารเพราะธรรมชาติชื่อว่าสังขารเพราะปรุงแต่งปรุงแต่งตัวปรุงแตง่ง วจีกรรมที่แปลงออกมาปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอิริยาบถเนี่ยนะปรุงแต่งอิริยาบถให้ยืนเดินนั่งนอนปรุงแต่งให้กระพริบตาหลับตาลืมตาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นตน้นอันนี้รัญยาปรุงแต่งสังขารแล้วก็ปรุงแต่งวิญญาณอับมองเข้าวิธีการพิสเนี่ยถ้าปรุงแต่งแบบสหาชาตธรรมก่อนนี่จะง่ายอย่างที่พูดออกมาเนี่ยรูปที่แปลงดังๆออกมานี่มีอะไรเป็นสมุทฐาน มีเจตนาเป็นสมุธฐานเพราะฉะนั้นคำพูดที่เปล่งออกมาเนี่ยมีสังขารเนี่ยปรุงแต่งขึ้นนะมีเจตนานี่เป็นตัวปรุงแต่งวจีกรรมที่เปล่งออกมาปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอิริยาบถเนี่ยนะปรุงแต่งอิริยาบถให้ยืนเดินนั่งนอนปรุงแต่งให้กระพริบตาหลับตาลืมตาให้เหลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งรูปแล้วเจตนานี่ปรุงแต่งอะไร ปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งให้โสมนัตใช่ไหยปรุงแต่งให้โทมนัตปรุงแต่งให้อุเบกขาเนี่ยนะแล้วก็ปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยเป็นวิญญาณเพราะนั้นตัวเจสังขารถันเนี่ยนะคือตัวปรุงแต่งขันห้าอนะันนั้นปรุงแต่งขันห้าโดยสหาชาตปัจจัยก่อนนะในขณะเดียวกัน เจตนายังปรุงแต่งขันห้า้วยอะไรอีกโดยปัจจัยไหนโดยนานักขัตนี่ ก, กรมมะปัจจัยอะนะเจตนาเนี่ยปรุงแต่งขันห้าในอย่างของเราทั้งหลายที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างกันอย่างนี้เพราะอะไรปรุงมาสังขารเนี่ยปรุงมาคือตัวเจตนากรรมในอดีตเป็นตัวปรุงมาไปพลิกิดูเห็นสูตรหนึ่งชื่อว่ามริกาสูตรพระนางมริกาก็ก็จะไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่า เหตุใดเนอพระเจ้าค่ะผู้หญิงบางคนเนี่ยเกิดมานะขี้เร่ขีร่จนก็จนเหมือนข้อธารมที่เราเห็นนี่ยนะหนึ่งนะสองเกิดมารวยรวยแต่รูปเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้เลยขี้เร่มากเลยนะอย่างที่สามสวยสวยแต่จนจนประเภทที่สี่สวยด้วยรวยด้วยอะไรเนอะเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าค่ะพองษ์ก็บอกว่าอันนั้ไม่สวยที่เกิดมาไม่สวยเลยขี้โกรธมากเลยนะ แล้วก็จนจนก็คือขอทานอย่างเดียวไม่เคยคิดจะให้ใครเลยอันนี้แหละเป็นเหตุให้ไม่สวยด้วยจนด้วยอย่างที่สองอะไรไม่สวยแต่รวยขี้โกรธขี้โกรธแต่ให้จริงๆเลยเป็นนักให้ให้ด้วยด่าด้วยอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> มีไหมเออมีนะมันต้องด่า ก, ก่อนแล้วค่อยให้มันพี่ก็ให้ก่อนแล้วค่อยด่าอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็มีสูตรของเขาอยู่แต่งดา่าไม่สวยไม่รวย ไม่สวยด้วยไม่รวยด้วยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเจหมวยนี่ไม่ใช่แน่ตามที่อันนี้ดูจากเหตุทุกวันเนี่ยนะสองไม่สวยแต่รวยเฮ้ก็ไม่ได้ด่าพวกขอทานอะไรนะไม่ให้เลยขณะเดียวกันไอ้ผูดไม่ให้ขอด้วยนะอันนี้ก็เป็นอะไรสวยอย่างเดียวแต่ไม่รวยถ้าทั้งสวยทั้งรวยก็คือทั้งทั้งให้ทั้งคือที่พูดเนี่ยจะถามมชาติหน้าเราควรจะเป็นยังไงเจหมวยบอกง่าเลยเนาะพยากรอตัวเองง่ายเลยว่าสมควรจะเป็นยังไงในสี่ประเภทเนี้ย หนึ่งนะโทรโทรอีกครั้งหนึ่งนะเอาไว้ตรวจตัวเองนะหนึ่งอ่าหนึ่งไม่สวยไม่รวยไม่สวยด้วยไม่รวยด้วยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเจมวยนี่ไม่ใช่แน่ตามที่อันนี้ดูจากเหตุทุกวันเนี่ยนะสองไม่สวยแต่รวยเอ้ก็ไม่ได้ด่าพวกขอทานอะไรนะไม่ใช่อีกข้อสามอ่าสวยแต่ไม่สวยแต่ไม่รวยอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องให้เยอะ ก็ได้ข้อสีแน่สวยด้วยรวยด้วยนะนะเนี่นะชอดนะถ้าอยู่บนสวรรค์ก็สวยด้วยรวยด้วยนก็ดูเอากันแล้วกันนะวันมาที่นี่สงสัยจะได้ไปหลายอย่างจานแดงเป็นไงเป็นประเภทไหนในสีประเภทพนางมาริกานะก็บอกว่าฟังปั๊บจำได้เลยโอ้หม่อมฉันเนี่ยอดีตชาติเนี่ยสงสัย มักโกรธไงไงเลยประาณั้นเกิดมาจึงไม่สวยแต่ที่มั่งมีก็เพราะว่าให้ทานมากแต่ก็มีอยู่ข้อหนึ่งด้วยนะที่ไม่ได้พูดหมดก็คือเรื่องอะไรนะตระกูลสูงตระกูลต่ำตระกูลสาในนะี่ฤทธิ์มักริศยาหรือมักรมุทิตาถ้ามักริศยาก็ตระกูลต่ำถ้ามักรมุทิตาก็ตระกูลสูงอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบได้เลยนะ ก็ว่ามาอินเดียเนี่ยมาเมืองสาวัตถีไม่ได้อะไรก็เอามาลิกาสูตรไปสูตรเดียวก็พอเอาไว้ตรวจดูตัวเองอนะว่าอนาคตควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะเพราะว่าอะไรนะถ้าวิปัสสนาชั้นสูงอะไรก็มไม่ได้ก็เขาเอาอย่างนี้ไปก็ยังดีนะนะอย่ามใจเนี่ยเอาเอาอันนี้ไปเอาสูตรเราเนี่ยไปก็แล้วกันนะ อริยสัจอะไรจำกับเขาไม่ได้ก็รู้ว่าเหตุแห่งความสวยเหตุแห่งความรวยเหตุแห่งความขี้เรเหตุแห่งความตระกูลสูงตระกูลต่ำเนี่ยจำได้เท่านี้ก็เอาะโอเคละคุ้มค่าละทีนี้ต่อไปนะว่าตัวที่ปรุงให้ให้เป็นอย่างเนี้คืออะไรตัวปรุงสังขารเนี่ยนะปรุงปรุงแต่งรูปแล้วก็ปรุงแต่งเวทนาทีนี้ปรุงแต่งเวทนานะถ้าบอกว่าก่อนให้โทสะหลังให้ก็โทสะ แต่ให้ด้วยโสมนัสอันนี้ชาติหน้าเป็นคนยังไงคนมักโกรธถ้าก่นให้โสมนัสหลังให้ก็โสมนัสเป็นคนใจดีชาติหน้าคือเขาอยู่ที่บริวารจึงจะรู้จักคําว่าพระเจตนากับอภรราพระเจตนาจะบอกได้ว่าฐานที่เป็นนานักขัตขันธกรรมมัปะจะใจนี้ก็ไม่ง่ายแต่ที่สําคัญก็จําสูตรซะหน่อยนะจําสูตรซะหน่อยเป็นเครื่องมือในการไปพิจารณาข้อมาทงไถยดูอดีตท้งไถ่มักโกรธหน้าด้วยนะ ตัวโลภามีกําลังหรืออาโลภามีกําลังตัวโทสะมีกําลังหรืออาโทสะมีกําลังโมหะมีกําลังหรืออาโมหะมีกําลังเนี่ยโอ้วิธีเขาคิดนี่เรื่องยาวมากเลยนะอย่าไปคิดว่าโอ้วเรื่องกรรมมีอะไรคิดนั่หนาจริงมีอะไรวิเคราะห์ อ, อีกยะยะเยอะแๆเต็มหมดเลยนะอันนี้คือคืออะไรจึงจะรู้จักคําว่าสังขารเป็นอย่างดีท่้นคนที่รู้จักสังขารโดยเฉพาะสังขารที่เป็นนาคขั้นนิกรกรมมปราปัจจัยนี้ก็ ไม่ง่ายแต่ที่สำคัญก็จำสูตรซะหน่อยนะจำสูตรซะหน่อยเต็นเครื่องมือในการไปพิจารณาข้อมาทั้งไถ่ดูอดีตทั้งไถยมักโกรธหน้าด้วนะคือสงสัยมานานไม่กล้าถามที่ว่าโทรศัก่อนให้กับหลังให้นี่คือเกี่ยวกับทานที่ให้หรือว่าอาจจะเป็นโทรศัเกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่เป็นปัจจัยก็หลายเหตุผลด้วยกัน บางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ได้เช่นทะเลาะ ก, กับผัวเสร็จก็มาให้ทานแล้วไปทะเลาะ ก, กันต่ออย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะเช่นกันนางปัญจ่าปาปีคือดีนะทะเลาะเรืองอื่นก่อนพระตะเจกบินถ้าบาทมาก็ใส่ก้อนดินเหนียวไปนะเรียกว่าโกหกพระด้วยส่งเลยอีกนะเช่นก็อย่างที่ผมมาเห็นบ่อยๆก็คือด่าลูกเสร็จแล้วมาใส่บาดกลับไปด่าลูกต่อเนะี่ยอันนี้นก็มันก็เป็นอย่างเงี้ก็มี นิมัสการถามพระอาจารย์ครับเมื่อกี้พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าก่อนให้โทสะขณะให้โสมนัตแล้วหลังให้โทสะอีกก็ถ้ากรรมนั้นให้ผลก็จะเป็นคนมักโกรธอ่าก็สงสัยว่าในเจตนาสามการนี้ที่จริงการที่ขณะทํากรรมนั้นสําคัญกว่าไม่ใช่เลยครับพระอาจารย์สําคัญกว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยนะมันโกรธไวไฟมากเลยเนะย <c oughs> เคยเห็นไหม <c oughs> เออนั่นแหละ ก็เห็นหัวเราะอยู่แผลบเลยทําไมเอาอีกละก็อีกบางคนน่ยซึมแต่เขาด่าอยู่ครึ่งวันก็ยังเฉยเฉยอีกนั่นแหละเออทำไมเป็นอย่างนั้นมีไหมอย่างนี้เออนี่แหละมันวิจิตนะอะไรเนอะเป็นตัวแต่งให้จิตมันวิจิตขนาดนั้นก็คือกรรมที่ตอนทํานั่นแหละกรรมที่สิ่งแวดล้อมของการทํากรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดจริตกําหนดอัธยาศัยกําหนดอุปนิสัยอีกนั่ยแหละเพราะอุปนิสัยบาจใจนะเรียนสูตรไม่ค่อยอยาก ไอ้มาพิจารณาชีวิตจริงเนี่ยยากพอมาตอนเรียนอุปนิสัยปัจจัยจบเนี่ยทาไมเราเรื่องนี้ทําไมเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนะก็เลยเอาใหม่เราต้องคิดเรื่องอุปนิสัยให้เยอะๆเนี่ยนะก็เลยทําให้เข้าใจบางอย่างเพิ่มขึ้นทีนี้ต่อไปมาดูวิญญาณบ้างเพราะเหตุไรเนาะจึงรู้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่เพราะรู้อะไรเพราะรู้รสเปรี้ยวรสขมรสเผ็ดรสหวานรสขมคืนรสขมรสเปรี้ยวรสจืดเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ตัว วิญญาณเนี่ยนะก็ยกทวารลิ้นเป็นหลักอนะทวารลิ้นนี่เป็นตัวที่แยกรถอันนั้นแหละรู้แจ้งด้วยวิญญาณรู้แจ้งความต่างแห่งรถเนี่ยนะเฮ้ยวิญญาณเขาก็เก่งนะต้มยำหยุดหยุดอยู่ช้อนเดียว <c oughs> มางทีบอกขาดเผ็ดไปนิดเดียวเนะี่ยนะนะ้ำปลาใส่กาแฟเนี่ยนะไม่ฉันเลยคุณนักขมคุณการตาเขบอกว่านิ่น เขาให้น้ำปลามานะครมาหูไม่ดีได้ยินเป็นน้ำตาลตอนนั้นมาถึงก็ดีบเลยทำไมน้ำแกรู้รสมัอนวิญ ญ, ญาณในใช้มากใ น, น, น, นถวาวรลิ้นนี่นะถาวรลิ้นนี่ใช้ชิวหาวิญ ญ, ญาณเปลืองมากเลยนะมันถ้าไม่ได้ในในสิ่งเดียวกันนะถ้ามันขาดไปรถเดียวนะเดือดร้อนเลยรถอื่นๆนะได้หมดแล้วมันขาดอยู่รถเดียวเลยดิชิวหาวิญ ญ, ญาณไม่ยอมมาหูอะไรตรุงมาดีนะขาดน้ำปลาไปนิดเดียว <c oughs> มางทีบอกขาดเผ็ดไปนิดเดียวนี่นะ น้ำปลาใส่กาแฟาเนี่ยนะไม่ชั้นเลยอะ่ะคุณการนักขมคุณการตาก็บอกว่ า, วานี่เขาให้น้ำปลามานะะมาหูไม่ดีได้ยินเป็นน้ำตาลใส่ร้อนมาถึงก็บีบเลยทําไมน้ําน้ําตาลไมมันสีนี้วะก็บีบเสร็จนะเราก็มาดูน้ลาอชิมตั้งหลายเดยรแล้วก็วางวาแล้วบางอันนี้ก็เอาน้ำปลามาใส่กาแฟาเนี่ยน ะ, ะ ก, ก็เลยก็เลยไม่ไม่ชั้นละ ที่รู้สึกผู้การจะเคยถามทีหนึ่งครับหรือว่าเคยอธิบายทีนึนครับว่าเรื่องของสัญญาของวิญญาณเนี่ยว่าความจริงแล้วรถนี่สัญญามันก็ต้องต้องจําความต่างกันว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือว่าขณะที่จําสีเขียวเหลืองแดงเนี่ยตัววิญญาณมันก็ต้อ ง, ต, องต้องแจกแจงความต่างกันของของสีมันกันทําไมท่านถึงให้ความสําคัญกับสัญญาในเรื่องของความจําสีว่าเป็นว่าเป็นทวารเนี่ยนะ คือการกล่าวธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยกับกับบุคคลทั่วๆไปเนี่ยต่างกันคือพระ อ, องค์เวลาแสดงธรรมเนี่ยพร้ อ, อ์มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเรียนแบบพูดแบบอภิธรรมมนอ่ะนพวกนี้มันสัมปยุตตปป จ, จัยไม่ใช่หรือมันเกิดพร้อมกันนี่อันนั้นคือคิดแบบแบบอภิธรรมแต่พระ อ, องค์นี้กาลังแสดงพระรอยู่ นะว่าบางคนเข้ากําลังเจริญกสินอยู่เป็นต้นเนี่ยนะพอเราเราพระพิสูจนที่นั่งฟังเนี่ยเป็นตัวกําหนดให้การใช้คําในการอธิบายคําท่านท่าบอกอธิบายสัญญาในฐานะยกอะไรมายกสีแล้วอัตถกถาอธิบายเป็นอุปจาระและอัปปนาแสดงว่าเพื่อส่งเสริมในการเจริญกสินเป็นต้นทีนี้พอวิญญาณล่ะอธิบายเรื่องลิ้นขีดความสา ม, มารถท่าอนุภาพของสัญญาจริงๆเนี่ย มันรู้ไม่ถึงไตรลักษณ์ถ้าวิญญาณ น, นี่ยรู้ถึงไตรลักษณ์แต่ไม่สามารถละอะไรได้ไม่สามารถถึงมากได้นะแต่ถ้าปัญญานี่ถึงมากด้วยท่าะะ น, นก็ประสิทธิประสูตรสัญญาเนี่ยตักแบบพระสูตรก็แจกไว้แบบนี้แต่ว่ามีอยู่ไม่ไ ม, ไม่มากแห่งอะนะไม่มากแห่งที่แสดงลักษณะแบบนี้เอ่อทีนี้ถ้าสัญญาวิญญาณปัญญาเนี่ยนะมันก็ยาย า, ย า, ยาเหมือนกนันก็รู้เหมือนกันต่างกันยังไงอ่อมีความต่างอยู่บ้าง เช่นว <necessary. S 2> ่าสัญญาเนี่ยนะขีดความสามารถท่าอนุภาพของสัญญาจริงๆเนี่ยมันรู้ไม่ถึงไตรลักษณ์ถ้าวิญญาณเนี่ยรู้ถึงไตรลักษณ์แต่ไม่สามารถละอะไรได้ไม่สามารถถึงมรรคได้นะแต่ถ้าปัญญานี่ถึงมรรคด้วยเพราะนั้นก็ประสิทธิภาพของสัญญาเนี่ยต่ํากว่าวิญญาณประสิทธิภาพของวิญญาณนี่ต่ํากว่าปัญญาเพะนั้นสัญญาก็เหมือนกับเด็กวิญญาณก็เหมือนกับชาวบ้าน ปัญญาก็เหมือนกับเฮรันยิกเป็นต้ น, นเน H ีนะ <ST AR L M> ซึ่งรู้สิ่งเดียวกันแต่ประสิทธิภาพในการรับรู้แตกต่างกันถ้ายกสัญญาขึ้นมาก็ประสิทธิภาพไม่สูงถ้ายกจิตขึ้นมาก็สูงกว่านั้นไปถ้ายกตัญญาขึ้นมาก็สูงไปกว่า น, นั้นอีกเหมือนกับเช่นว่าจิตตวิปลาสสัญญาวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสนี้ถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่จิตตวิปลาสก็รุนแรงกว่าสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนี่รุนแรงกว่า จิตวิปลาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสองสายนะสายกุศลกับสายอกุศลถ้าสายกุศลก็สัญญาวิญญาณนะสัญญาวิญญาณแล้วก็ปัญญาก็ยาเหมือนกันนะอันนี้คือสายดีนะพูดแบบสายดีถ้าสายเลวสัญญาวิปลาดจิตวิปลาดแต integral, ratings, verse, ่ไม่ใช้คําว่าวิญญาณวิปลาดใช่ไหมใช้คําว่าสัญญาวิปลาดจิตวิปลาดและทิฏฐิวิปลาด เออพอองวิธีแสดงที่แตกต่างกันถ่าที่บายอากูสลจะอธิบายในลักษณะวิปลาดท่าที่บายกูศลอธิบายสัญญาวิญญาณและปัญญาเนี่ยนะก็ด้วยเหตุผลเหล่านั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรเอาไปใไขขวรเพิ่มอีกนิดเนี่ยนะว่ามีรายละเอียดอะไรพิเศษที่น่าสนใจอยู่ในนี้ตอนนี้นเดี๋ยวไม่โมูเนี่ยชมไม้มากนะเนี่ยเมื่อกี้พูดสุญญาตาแล้วใช่ไมสุญญาตาตอนแรกคืออะไร รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการบอกว่าถ้าระลึกทั้งหมดในอดีตก็คือระลึกขันหานั่นแหละอันนี้เรียกว่าพูดสุญญาตาถ้าลักษณะสุญญาตารูปเพราะสลายเวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำหมายอารมณ์สังขารปรุงแต่งสังขตะวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์เช่นรู้แจ้งรสเป็นต้นทีนี้อันนี้ว่ามันเวลาทานอาหารก็นึกถึงสูตรนี้เอาไว้ก็ได้ ดูกรพิสูจนทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่ตอนนี้นะเราถูกรูปเคี้ยวกินแม้นอดีิการเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้วเป็นอย่างนี้เนั้นกับรูปที่กลุ่มที่สามอธิบายสภาวะเหล่านั้นโดยสามั ญ, ญลักษณะนะสามั ญ, ญลักษณะก็คือตามสูตรโดยคัชนียสูตรก็สูตรว่าด้วยการ เคี้ยวกิน่นสูตรว่าด้วยการเคี้ยวกิน่นนะนะมันเวลาทานอาหารก็นึกถึงสูตรนี้เอาไว้ก็ได้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกรูปเคี้ยวกิ่นอยู่ตอนนี้นะเราถูกรูปเคี้ยวกิน่นแม้นาอาดีิการเราก็ถูกรูปเคี้ยวกิ่นแล้วเหมือนกับรูปที่ถูกเเหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันเคี้ยวกิ่นอยู่ในบัดนี้ ก็ก็เรานี่แลพึงชื่นชมรูปอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็คงจะถูกรูปเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกรูปเคี้ยวกินในปัจจุบันอยู่ในบัดนี้เธอพึงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในรูปในอดีตย่อมไม่ชื่นชมรูปในอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับรูปในปัจจุบันเนี่ยนะ ก็คือยกตัวอย่างว่ารูปในอดีตรูปปัจจุบันนี้ถูกเคี้ยวกินมันเคี้ยวกินยังไงรูปปัจจุบันนี้ถูกเคี้ยวยังไงอัะนนั้ถ้าเคี้ยวเวลาเราเคี้ยวขนมเป็นยังไงเคี้ยวแตงกวาไนงะฉันใดรูปทุกคนนี่กำลังถูกเคี้ยวอยู่นะขณะนี้อะไรแล้มาเคี้ยวเราอยู่ ก็ไม่รู้ว่าปฐวีเคี้ยวอาโปบ้างอาโปเคี้ยวเตโชบ้างเตโชเคี้ยววายโอบังมันเคี้ยวกินกันเองไงนะรูปเคี้ยวน้ำบังน้ำเคี้ยวรูปบ้างนะเพราะนั้นก็รูปมาถูกเคี้ยวกินใช่ไหมในอดีตรูปก็เคยถูกเคี้ยกินรูปในอนาคตถ้าจะมีอีกก็ถูกเคี้ยวกินอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่อะไรารูปในอดีตไม่หวังรูปในอนาคตปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับรูปในปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้คือหลักการทําปริญญาระดับสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะ อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกเวทนาเคี้ยวกินคือเวทนานี่มันต้องเนื่องด้วยอะไรนะเรื่องด้วยภาษาใช่ไหมถ้าภาษาเปลี่ยนไปว่าท่าสารนี้เนื่องด้วยอะไรด้วยวัตถุวิญญาณและอารมณ์พ่านพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยเวทนานี้ชื่อว่าถูกเคี้ยวกินใช่ไหมก็ชื่อว่าถูกเคี้ยวกินเพราะฉะนั้นก็บอกว่า บัดนี้เราถูกเวทนาเคี่ยวกินอยู่แม่ในอดีตการเราก็ถูกเวทนาเคี่ยวกินแล้วเมื่อแลเราพึงชื่นชมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม่ในอนาคตเราก็คงถูกสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคี่ยวกินอยู่เหมือนกับที่ถูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคียวกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่อะไรในเวทนาสัแม้กระทั่งอดีต บัดนี้เนี่ยเราถูกสัญญาสังขารวิญญาณเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกสัญญาสังขารวิญญาณเคี้ยกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเคี้ยวกินอยู่ในปัจจุบันก็ <clears throat> แลเราพึงชื่นชมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้ในอนาคตเราก็คงถูกสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคี้ยวกินอยู่เหมือนกับที่ถูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคี้ยกินอยู่ในบัดนี้ เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่อะไราในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตไม่อะไราอดีตแล้วเนาะสาธุไม่อะไราได้นะอ น, นะก็ถ้าพิจารณาเห็นจริงๆก็ไม่อะไราในอดีตก็ไม่ชื่นชมในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตไม่รู้จะชมมันทำไมมันก็มันก็เท่ากันอ่านะ ย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันเออเนะี่ยถ้าตั้งคำถามมาถามว่าเ อ, อ้นี่เรามีความรู้สึกมันจะท่านจะต้องเบื่อในจักขคูวิญญาณอันนี้ให้ได้ อ, อันนะี้จะต้องเบื่อในโซตวิญญาณอันนี้ให้ได้จะต้องเบื่อผมสวยๆอันนี้ให้ได้อย่างนง้วะเรต้องตั้งอัธยาศัยเอาไว้นะว่าถ้าไม่ตั้งความปรารถนามาก่อนนะ่ะมันไม่อยอมทําเด็ดขาดเลยใช่ไหม ไม่ยอมหรอกแหมมันเกิดมาเพื่อชื่นชมในสิ่งเหล่านี้แหมจะให้เรามาเบื่อได้ง่ายๆ่ยยังไงมันก็มีหน้านะโบราณท่านจึงทําให้ทําบุญและตั้งความปรารถน า, าไว้นะจะได้มีใจเอินไปโอนไปโน้มไปเพื่อจะพิจารณาบางทีก็มีอยู่บ้างนะปฏิฆานิมิตรทีก็ว่าสักทีนึงนะพอสู่ผ่านนิมิตมาก็ทับไปอีกกันนะลืมหมดเลยอย่างเงดูการพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําสคัญความข้อนั้นเป็นชไนงะเมื่อกี้ประกาศทุกลักษณะเลยใช่ตอนนี้จะเริ่มประกาศอนิจจาลักษณะ ว่าเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ า, านะไม่เที่ยงดูเหอะเดี๋ยวเจอเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะส ง, งอสงแอหลายคนบอกไม่ถึงขนาดนั้นรอกลุกไปตั้งนานแล้วไม่รอให้มันถึงขนาดนั้นกว่ากั้น เาะฉะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือนอที่จะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราควรไหมไม่ควรเออซาทุกขอให้จริงอย่างที่ว่าเธอเนี่ะเพราะคุณตาตาตั้งอัธยาศัยเลยจะต้องเห็นอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราจรึงยอมรับว่าเป็น ทุกเนี่ยนะแน่ใจนะว่าปรจํปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนดในโสมนัสอันนี้ขึ้นเนี่ยนะก็มั่นใจเลยนะมวนมั่นใจเลยนะว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในความไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ตอนที่ดีใจนะฮอดีใจเลยนะดีใจผมว่าฮ่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์แน่นุ ก, น, น, กน่ฝืนหน้าดูเลยว่าเออทุกข์ละเออทุกข์ก็ทุกข์เปี่ยนนะก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะมันไม่เที่ยงจริงยอมรับว่าเป็นทุกข์เ่ยนะแน่นนนใจนะว่าปรจบปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในโสมนัสอันนี้ขึ้นเนี่ยนะก็มั่นใจเลยนะม่วนมั่นใจเลยนะว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความสุขเหล่านี้แหละมั่งเลยนะสาธุนะแสะดงว่าอัธยาศัยไม่ธรรมดาเหมือนกั น, นเห็นโทษของสังขารเยอะละ สรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือห n อที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราไม่ควรเพราะอะไรหนึ่งนะ เพราะมันสูญมันมีแต่ความว่างมันมีแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีลักษณะอยู่เฉพาะตัวเฉพาะตัวเช่นรูปมีลักษณะสลายไปเวทนาก็เสวยอารมณ์สัญญาก็จำหมายอารมณ์สังขารก็ปรุงแต่งสังขตธรรมวิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์แล้วทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกเคี้ยวกินอยู่ตลอดเวลาในอดีตก็เคยถูกเคี้ยวกินแล้วอนาคตก็จะถูกเคี้ยวกินปัจจุบันก็กําลังถูก เคี้ยวกินอยู่แล้วสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นเป็นทุกข์ด้วย <c oughs> ควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเรานะโอ้โหนี่นะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเลวร้ายมากเลยนะขันท่าแน่ใจนะ <c oughs> ดูว่ากลับไปดูกลับไปถึงบ้านเรานเะนี่ยดูภาพแต่ละภาพมนะันจะนั่งยิ้มยังไงบ้างนะดูภาพเออนี่เราก็นาะน <c oughs> ดูว่าถูกเคี้ยวกินอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะ หวังว่าเวลากลับไปดูภาพที่บ้านคงไม่ถูรูปเคี้ยวกินไม่ได้ถูกปาญหาเคี้ยวกินหมดนะก็ดูถ่ายพวกการไม่ได้เอากล้องมาไม่ได้ถ่ายรูปนะเดี๋ยวส่งรูปไปให้ดูน่าจดูพลิกไปก็ยิ้มไม่ยิ้มไม่เชื่อดูขำเลยรูปขำรูปในอดีตเลยนะอ๋อถ่ายข้างๆไนงะเอาเนี่ยนะเป็นการเจริญแบบต่อต้านตลอดเวลาเลยแรงต่อต้านที่จะผลักออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในายะาเดียวกันนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันดีอะใช่ไหมเรืนอกหยาบละเอียดขยายอาณาจักรใหกว่าแม้รูป ท, ทั้งหมดที่เป็นอดีตอนาคตภายในภายนอกชนิดหยาบชนิดละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลทั้งหมดนั้นอะเป็นรูปให้พิจารณาตามความเป็นจริงวันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ อัตตาของเราเนี่ยนะเป็นการเจริญแบบต่อต้านตลอดเวลาลแรงต่อต้านที่จะผลักออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเธอพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถ้ามองโดยลำดับเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่า รูปใช่ไหมในอดีตมันก็คือรูปแล้วรูปก็เป็นสิ่งที่ถูกรูปก็มีลักษณะเป็นของเฉพาะตัวคือสลายไปแล้วรูปทุกินรูปไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันรูปสารพัด ร, รูปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ควรแล้วที่จะตามเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามนี้นะดูการพิสูจทั้งหลาย อริยาสาวกนี้เราตถาคตเรียกว่าปราศจากสะสมะนะปราศจากการสั่งสมวตะจะละทิ้งวตตะจะไม่ถือมั่นวตตะจะกระจายวตตะจะไม่รวมเข้าไว้ซึ่งวตะจะทําให้หมอดไม่ก่อให้ลุกลงขึ้นอีกถาวว่าจะปรา